ข้อความในคุตการนิกาอิติบุตกะต่อนะครับติกะนิบาตวรที่สมิิชาทิฐิสูตรนะครับสูตรด้วยความเห็นผิดนะครับในข้อสองริจึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เราตถาคตได้เห็นสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายทุจริตคือความชั่วทางกายนะครับวจีทุจริตมนโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดมั่นการกระทําด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราตถาคตกล่าวคานั้นแล้วว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายเราได้เห็น สัตผู้ประกอบด้วยกายะทุจริญวจีทุจริญมโนทูตเจริตเตเตียนพระริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดมั่นการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นก็หาไม่ได้ที่พูดเนี่ยนะไม่ได้ฟังมาจากใครนะแต่พระองค์เป็นสัพพันยูใช่ไหมครับก็แต่ว่าเราตถาคตรู้มาเองเห็นมาเองทราบมาเอง จึงกล่าวคํานั้นแลว่าเราตถาคตเห็นสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายทุจริตความชั่วทางกายวจีทุจริตความชั่วทางวาจาโนทุจริตความชั่วทางใจติเตียนพระริยาเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดมั่นการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกผูงรู้เองเห็นเองนะครับเป็นพระสัพพันยูนะครับ และพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ผิดกล่าววาจาผิดกระทำผิดด้วยกายผู้มีการสะดับน้อยนะครับไม่เป็นพระมูสูตรนะนะทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษย์โลกนี้เขาเป็นผู้มีปัญญาสามเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับจริงๆแลยนะ เนื่องจากเขาตั้งจิตเอาไว้ผิดพูดก็เลยผิดทำก็เลยทำผิดไปอีกเนื่องจากขาดการสดับบุญก็ไม่ได้ทำไว้นะจริงๆเขาน่าจะทำบุญบ้างนะจริงๆแล้วชีวิตซึ่งมนุษย์ในโลกให้มีอายุน้อยเหลือเกินบุญก็ไม่ได้ทำไว้พอตายไปก็อบายทุกขติวินิบาดนรกตรงนี้เน้นนรกมากนะครับเขาบอกว่าอเวจีเนี่ยนะครับเออัดยัดเยียดกันเหมือนทนานดีบุกนะครับนะครับมันมันเออัดยัดเยียดนะครับมันร่าร้อน ในอัตกาถานะครับบทว่าทิฏฐามายาความว่าสัตว์ทั้งหลายอันเราตถาคตเห็นแล้วคืออันเราตถาคตเห็นแล้วได้แก่รู้ประจักษ์แล้วด้วยสมันตะจักสุและทิฏพิปรจักษสุนะครับตรงนี้คําว่าสมันตะจักสุก็ที่จริงสมันตะจักสุนี่มีสิบสียานใช่ไหมครับสมันตะจักสุเนี่ยนะก็คือพุทธญาณสิบี่คือยานในอริยสัจสี่ยานในปฏิสัมพิทาสีและอาสาธารณะยาณหกนะครับ แต่ทีนี้ก็น่าจะหมายถึงพวกสัพพัญยุตยานนะครับสัพพัญยุตยานก็เป็นสมัญตะจักสุขนะครับรู้โดยรอบแล้วก็มีตาทิพนะครับใช้คําว่าตถาคตนะเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยนะครับต้องนึกถึงคําว่าตถาคตให้ชัดๆนะครับแล้วคําพูดเหล่านั้นนนั้จะฟังดูขลังทันทีเลยนะครับพยายามนึกเออตถาคตเนี่เสด็จมาอย่างนั้นนะเสด็จไปอย่างนั้นนะครับ มารู้ธรรมะอันทองแท้เป็นต้นนะครับตรัสรู้ธรรมะอันทองแท้เป็นต้นเนี่ยพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายและพระองค์เนี่ยมาถึงญาณอันทองแท้เป็นต้นนะถ้าเรานึกถึงคุณของพระธรรมคดแล้วค่อยๆเรียงลําดับถึงคําพูดของพระองค์นะคะรับศรัทธาจะเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าพระองค์นั้นประกอบด้วยสัพพัญญุตญาณแล้วก็ยังมีตาทิพย์อีกนะครับด้วยคําว่าทิฏฐานมายานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคัดค้าน การได้ฟังตามๆกันมาเป็นต้นและความข้อนี้จะมีในพระบาลีในบัทนี้แหละ <c oughs> บดว่ากายะทุจิรเตนะสมนาคตาความว่าเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกายะทุจิรนะครับคือหมายว่ากายะทุจิรเป็นต้นปรากฏในเวลาใกล้ได้นะบดว่าอริยนังอุปวาธกาความว่าผู้ว่าร้ายคือด่าได้แก่ติตเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นโดยที่สุดแม้พระโสดาบันผู้เป็นเครือขัดโดยการกล่าวตู่ที่ไม่เป็นจริงอันเป็นเหตุกําจัดคุณความดีของท่านนะครับเช่นท่านเป็นภาริยะก็บอกว่าไม่เป็นพาริยะเป็นต้นนะครับบทว่ามิจฉาทิฏฐิกาได้แก่ผู้มีความเห็นผิดนะครับบอว่ามิจฉาทิฏฐิกรรมสมาานาความว่าผู้ได้สมาานกรำนานาชนิด เหตุที่มีความเห็นผิดนั่นแหละเพราะตัวเองมีความเห็นผิดก็เลยทำบาปทำกรรมอย่างอื่นอีกมหาศาลจะสมาทานกรรมแม้อย่างอื่นอีกมีกายกรรมเป็นต้นที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นมูลเป็นฐานนะครับเป็นมูลฐานเป็นรากเงาเป็นปัจใจให้ทำความชั่วทางกายทางวาจาเนี่ยนะครับก็เมื่ออริยปวาทกรรมและมิจฉาทิฐิพระองค์ถือเอาแล้วด้วยวจีทุจริตและมโนทุจริตนะครับ จริงแล้วว่าจีทุจริทนี้ก็อมความถึงอายุประวัติด้วยนะครับมโนทุจิริทก็รวมถึงมิจฉาทิฏฐิด้วยแต่ในที่นี้ทรงตรัสซ้ําอีกก็เพื่อจะทรงแสดงว่าอายุประวัตกรรมนี่นะครับและมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีโทษมากนะครับบรรดาสองอย่างนั้นอายุประวัติมีโทษมากเท่ากับอนันตริยกรรมว่าร้ายพารยาเนี่ยนะครับโทษพอๆกันกับอนันตริยกรรมสมดังที่ทตรัสไว้ว่าดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือน ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงกระยิมพระอรหัตผลในปัจจุบันทีเดียวฉันใดดูก่อนสารีบรข้ออุปมายนันนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเราตถาคตกล่าวว่าผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกนั้นดังนี้นะครับอันนี้คือโทษของอริย ป, ประวัตินะครับ ที่สุนขะะัขตาฤชวีกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับไม่มีอุตริมนุสธรรมเลยไม่มีคุณวิเศษเลยที่แสดงธรรมแสดงด้วยการตรึกอย่างเดียวเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเออนี่แหละถ้าหาว่าผู้ที่ถือบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็กะยินในอรหัตตผลทีเดียวฉันใดเขาบอกว่าในบรรดาอุปมาทั้งหมดนะครับอุปมานี้มั่นคงที่สุดนะครับที่เปรียบเทียบในการยกอุปมาทั้งหลายแลยเนี่ยนะว่าผู้ที่พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะ กายิมในอรหัตผลในปัจจุบันชันใดอย่างนั้นผู้ที่ว่าร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนที่ถีนั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกนะครับตกนรกแน่นอนนะครับมั่นคงเหมือนผู้ที่จะบรรลุมรรคผลอย่างนั้นนะครับให้เห็นถึงว่าโอโ้แสดงว่ามั่นคงมากานกรรมอื่นที่ชื่อว่าจะมีโทษมาก กว่ามิจฉาทิฏฐิไม่มีอันนี้นี่กล่าวถึงมิจฉาทิฏฐินะครับเพราะอายุประวาติผ่านไปแล้วอะไรที่จะมีโทษเท่ากับมิจฉาทิฏฐิอีกไม่มีแล้วสมดังที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราตถาคตไม่พิจารณาเห็นธรรมะอย่างอื่นที่เป็นธรรมะอย่างเอกที่มีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลยดูก่อนพิสูุทั้งหลายโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งนะครับ ถามว่าทำไมจึงยิ่งครับเพราะมิจฉาทิถีเนี่ยนะครับมันเป็นไปเพื่อความวิบัตินะครับเป็นผู้ที่เฝ้าวัตตะสงสารจริงๆนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ยังขวางยังกลางยังกั้นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยนะครับเพราะว่าพวกมิจฉาทิถิบุคคลทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทําลายพระธรรมคําสอนเป็นต้นเนี่ยนะครับตามแห่งตามแต่คุณภาพของมิจฉาทิฐิถ้ามิจฉาทิถีมากก็ห่างศาสนาไปเลยนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปราลบคำเมียที่ว่าตังโขปะนะไว้เพื่อจะแสดงยืนยันเนื้อความตามที่ได้ตรัสว่าเป็นธรรมะที่ประจักษ์แก่พระองค์เองคํานั้นเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องที่ที่รู้มาเนี่ยนะว่าอากุศลกรรมบท10บแล้วก็อายุ ป, ปรว่าและมิจฉาทิฐีเนี่ยนะเป็นผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยธรรมะเหล่านี้เนี่ยตกนรกแน่นอนเนี่ยนะครับก็ย้ําว่าเออพระองค์รู้มาเองนะ พึงทราบวินิชัยในคาถาคาถาที่ตรัสไว้ว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ผิดกล่าววาจาผิดทำการงานผิดด้วยกายผู้มีการสดับน้อยทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษย์โลกนี้เขาเป็นผู้มีปัญญาสามเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับอธิบายว่ามิฉามานังปนิถายะตั้งจิตไวโดยไม่แยบขยัย ด้วยสามารถแห่งธรรมะทั้งหลายมีอพิชาเป็นต้นนะครับปล่อยใจให้เป็นไปกับอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐินะครับคือตั้งจิตไปเพื่อโลภะตั้งจิตเพื่อโทสะตั้งจิตเพื่อเป็นมิจฉาทิฐิลักษณะนี้แหละเชื่อว่ามิจฉามานังปนิถายะตั้งจิตไว้ผิดบทว่ามิจฉาวาจังอภาสิยะความว่า กล่าววาจาผิดด้วยสามารถแห่งหมูสาวาฏพุ้สวาจาปิสุนาวาจาและสัมผัปปลาปะนะครับคือพูดเท็จพูดคำยาพูดสอเสียแล้วก็พูดเพอร์เจอไราสาระเนี่ยนะครับบทว่ามิจฉากรรมมานิกตวานะความว่าทำกายกรรมด้วยสามารถแห่งปานาติบาตอธินาทานและกาเมสุมิฉาจานนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่ามิจฉามนังปนิถายะความว่า ตั้งจิตไว้พลาดด้วยสา ม, มารถแห่งมิจฉาทิถฐินะครับพมิจฉาทิฏฐิก็ชวนให้ตั้งจิตในที่ผิดพลาดจริงๆบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงเหตุในการประพฤติทุจริตอย่างนั้นของเขาบทว่าอปัสสุโตมีอธิบายว่าเว้นจากสุตะที่นำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่ตนและผู้อื่นคือไม่ได้ยินได้ฟังเลยนะครับ นะอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ยั่งรังเกียจการฟังอีกนะครับอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะโอ้อะไรจากปานนั้นนะครับยังชื่นชมการไม่ต้องได้เรียนได้ฟังอีกนะน ช, ชื่นชมความโง่ความเขลาต่อไปอีกโอ้หนักหนาะสาหัสอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นว่าเว้นจากสุตะนะครับคือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่มาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นนะครับบทว่าอปุญญะกะโรความว่าตอนนั้นไปนั่นเองกระทําผิด คือจะมีความชั่วเป็นธรรมดาเพราะความเป็นผู้ไม่ฉลาดในอริยธรรมนะครับเพราะอะไรครับที่ผิดที่พลาดทั้งหลายแล้วเนี่ยเพราะไม่รู้อริยธรรมนั่นเองเพราะไม่ลุกโลกุตระธรรมทีนี้โลกุตระธรรมนั้นนะครับในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้านี่นะครับทรงแสดงไว้แล้วนะครับจึงจะรู้ว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษถ้าลองหลับตาปิดหูซะ ไม่ได้ยินได้ฟังคําสอนทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็มีทุกโทษมหาศาลอยู่แล้วนะครับบทว่าอิมัสมิงอิท่าชีวิตเตความว่าในชีวิตอันน้อยนิดในโลกนี้คือในมนุษย์โลกอย่างที่พระองค์ตรัสไปว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือเกินไปก็เล็กน้อยนะครับไอร้อยปีเนี่ยน้อยมากครับถามว่าทําไมร้อยปีจึงเรียกวันน้อยแต่ถ้าเทียบกับยุงเนี่ยนะยุงที่ว่า7วันเนี่ยมนุษย์ก็ต้องมากกว่าใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสวรรค์ชั้นจาตุมดูนะครับสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยนะครับมีอายุเท่าไหร่ครับมีอายุห้ารปีทิพย์ถามว่าวัน1คืนหนึของสวรรค์ชั้นจาตุมเท่ากับ50ปีของมนุษย์นะครับนะสาวันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีแล้วก็อายุอยู่อย่างนี้500้อปีทิพย์เท่ากับเท่าไหร่ครับเก้ประมาณ9 9ล้านปีมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยโหมนุษย์กับ สวรรค์ชั้นจ่าตุมแล้วนะครับวันหนึ่งคืน1ของของจ่าตุมเท่ากับว่า50ิปีของมนุษย์นั้นมนุษย์นั้นมีอายุเท่ากับ2วันของสวรรค์ชั้นจ่าตุมเท่านั้นเองถ้าอายุร้อยปีเนีเท่ากับมีอายุอยู่2วันเท่านั้นเองนะถ้าเจ็ดแปดปีก็วันกว่ากว่าหน่อยๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับร้อปีของมนุษย์เท่ากับวัน1คืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับ สาสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีแล้วก็มีอายุอยู่อย่างนี้หนึ่งพันปีทิพย์นะครับถ้าประมาณสาสิบหกล้านปีทีนี้ถ้าเทียบแล้วโหร้อยปีของเราเนี่ยนะครับมันไปหารเท่าไหร่นะครับโหมหาศาลนะครับห่างกันเยอะเหลือเกินน้อยจริงๆนะครับร้อยปีเนี่ยถ้าเทียบกับสามประมาณสาสิบหล้านปีเนี่ยนะครับทีนี้ในสวรรค์ชั้นยามาอีกล้วครับยามาเนี่ยนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับสองร้อยปีของเรานะครับ 200ปีของเขานะครับแล้วอายุสองพันปีทิพย์ถ้าชั้นดูสิทธิ์หนักไปวันนั้นอีกนะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับ400อปีของมนุษย์นะครับแล้วมีอายุอย่างเงี้ยสี่พันปีทิพย์ถ้าสวรรค์ชัน้นนิมมานารดีนะครับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาอะ่ะเท่ากับแ800รอปีของเรานะครับและอายุอย่างเงี้ยแ0 0พปีทิพย์ถ้าปรินิมิตาวัสวัตตีด้วยนะครับหนักไปนั้นอีกว่า วันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับพัน0กรอปีของเราแล้วมีอายุหนึ่งันหกรปีทิพย์นะครับอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าพรหมนะครับพรหมปริศชานี่นะครับก็เศษหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ของกลับนะครับว่าอายุเป็นเกือบจะเท่าเท่ากับนะครับอายุมหาศาลมันมามองมามนุษย์แล้วโอหมันกระจิตดิด๊ดกระเจ้าให้ไร้เลยเกินนะครับถ้าไปเทียบเนวสัญญานาะสัญญา ย, ยตนะด้วย8ป0 0 0ืี่พันกับนะบของเราเนี่ยนะครับสํานวน ว, น ว, ว่าขั่วอายุชั่วาหายใจเข้าหายใจออก ใพนโประมาทขนาดนี้เลยนะครับไม่ทำบุญไว้อนะเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้ฟังเป็นต้นนั่นนะครับและพระองค์ยังตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีอายุน้อยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นหูสูตรมีปัญญารีบเร่งทำบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์หรือดำรงอยู่ในพระนิพพานนะครับทาไม่รีบทำเนี่ยแย่นะครับวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้กำลังทำอะไรอยู่นะครับ นะเราจะลืมแก่ลืมตายแต่ความแก่และความตายไม่ลืมเราแน่นะครับวันนี้ตาดีพรุ่งนี้ใครจะไปรู้ว่าตามันฟ้ามันฟางจะอ่านหนังสือไม่ได้นะครับร่างกายนี่ใครจะไปรู้ว่ามันโรคกระเพาะโรค ล, ลำไส้โรคตับโรคไตโรคมะเร็งทั้งหลายแหละจะเข้ามาเล่นงานนะครับเพราะฉะนั้นใครเล่าจะรู้จักความตายเป็นต้นในวันพรุ่งนะครับทีนี้พอไปเกิดในภพนารู้อย่างนี้ก็ทําบุญมาให้หนักๆ น, น, นะครับไปบ่นเอากระให้นะครับ ส่วนผู้ใดศึกษาน้อยไม่บาเพ็ญบุญผู้นั้นจะเป็นคนมีปัญญาสามเข้าถึงนรกเพราะกายแตกสลายไปนะครับพอกายแตกสลายก็ปฏิสนธิในนรกนะครับหยดน้ำไปให้ก็ไม่ได้นะครับเกิดเป็นเดรัจฉานนี่ทำบุญกรวดน้ำไปให้ก็ไม่ได้ซักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเลยนะครับเปรียนเรียนศึกษาเถอะครับบอกมาฟังสูตรอย่างนี้รับไม่ได้อกีกปฏิเสธอกีกโอ้กรรของสัตว์จริงๆเลย